การดำเนินชีวิตซึ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงก็คือความถูกต้องไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ควรเป็นไปในทางที่ถูกต้องการพูดการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนการทำกิจการงานหรือแม้กทั่าาการเสพเสพไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารการใช้สอยปัจจัยต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยี ก็ต้องกำนด้วยความถูกต้องแต่จะไปเอาความถูกใจเป็นหลักโดยเพราะความถูกใจที่มันสวนทากับความถูกต้องมันก็ก่้ปัญหาได้แต่แล้วก็ตามเนี่ยอาการที่เราไปคาดหวังหรือเรียกร้องความถูกต้องจากสิ่งอื่นหรือจากคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้อง ระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นหรือเอาจริงเอาจังกับความถูกต้องมากเกินไปมันก็จะเกิดผลเสียได้เกิดเป็นความไม่ถูกต้องขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวสามีพระยาคนหนึ่งเพิ่งแต่งงานกันใหม่ ก็เตรียมตัวสร้างบ้านสร้างเรือนหอฝ่ายชายก็ออกทุนสร้างเรือนหอฝ่ายหญิงก็วางแผนแออกแบบเรือนหอเธอก็ตั้งใจทำมากใส่ใจกับทุกเรื่องรวมทั้งอุปกรณ์วัสดุที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องโคมไฟกระดาษ ปิดฝาผ น, นังหรือว่าชั้นหนังสือออกแบบมาด้วยความตั้งใจอย่างดีแต่ที่เธอภูมิใจมากคือทางเดินเข้าบ้านเธอก็ออกแบบกระเบื้องลวดลายสวยงามเป็นลายดอกไม้แต่แล้วเธอก็เสียความรู้สึกนะเมื่อพบว่า ผู้รับเหมาเนี่ยวางกระเบื้องผิดไปแผ่นหนึ่งนะมันทําให้ดอกไม้เนี่ยมันหันไปทางอื่นคนละทางกับดอกที่เหลือแล้วก็งุนงิดมากนะเพราะว่าทุ่มเทกับเรื่องนี้มาแล้วก็คาดหวังจากมันมากเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ทนไม่ได้จนกระทั่งตกเย็นสามีกลับมาถึงบ้านเธอก็ตรงเข้าไป ต่อว่าสามีเลยทีแ้กก็ไม่ถึงกับต่อว่าโดยตรงนะแต่ว่ามีน้ำเสยงตำหนิคุณให้คุณคุยกับผู้รับเหมายังไงทำไมมันถึงออกมาแบบนี้สามีก็พูดสั้นๆว่าคุยแล้วตกลงกันแล้วแล้วคุณให้เขาดูร่างที่ฉันวาดหรือเปล่ า, านี่ภรรยาก็ ถมสามีสามีก็บอกว่าให้ดูแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วถ้าคุณแน่ใจเลยว่าเนี่ยอธิบายให้เขาเข้าใจดีแล้วสามีก็บอกว่าขอเป็นมืออาชีพคุยแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วอแล้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นมืออาชีพได้ยังไงออกมาแบบนี้ ฉันไม่น่าไว้ใจคุณเลยสามีก็เริ่มมีอารมณ์แล้วแล้วก็บอกเนี่ยก็ตอนนั้นคุณก็อยู่ที่บ้านทั้งวันไม่ใช่เหรอทำไมไม่ไปดูเองล่ะระยะก็บอกว่าเนี่ยฉันจะดูตลอดเวลาได้ยังไงฉันมีงานทำต้องเยอะแยะ สามีก็เลยพูดว่าเนี่ยัคุณจะโทษผมได้ยังไงอ่ะโทรเรื่องแค่นี้ทําเป็นเรื่องใหญ่นี่ภรรยาโมโหเลยนะบอกว่าเนี่ยคุณคิดว่านี่เป็นคุณโทษว่ามันเป็นเรื่องแค่เนี้ยงเหรอศาสนาตั้งใจนะออกแบบพวกเรื่องนี้มา ฉันตุ่มเทกับมันมากคุณไม่เคยช่วยเลยนะแล้วยังมาว่าฉันอีกคราวนี้สามีก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่คุณคิดและดีนะที่สามีเขาไม่ต่อรอต่อถิงมากไปกันนี้แต่แค่นั้นก็มากพอที่ทำให้สามีภรรยาคูน่นี้โกรธเค น, นั้นมากไม่คุยกันเลยนะบึนตึงต่อกัน ไม่พูดไม่ทักทายกันแม้แต่คําเดียวจนผ่านไปสองวันเนีะภรรยาก็เริ่มได้คิดนะว่านี่เราจะมาบาดหมางแตกแยกกันเพียงพ่อกระเบื้องแผ่นเดียวเลยก็เลยได้คิดนะว่าไม่น่าจะไปเอาจริงเอาจัง ก, กับมันมากถ้าทะเลาะ ก, กันเพียงแค่กระเบื้องแผ่นเดียดนี่มันโง่แล้วล่ะ ก็เลยนะเป็นฝ่ายไปนะพูดคุยกับสามีร้อขอโทษขอโพยสามีสามีก็ขอโทษเหมือนกันนะที่ไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือภรรยาเท่าที่ควรเมือมันน่าคิดนะเพียงแค่วางกระเบื้นผิดแผ่นเดียว ถึงขั้นทะเลาะบบาแวงกันถึงขั้นไม่พูดไม่คุยกันอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่าเอาถูกเอาผิดกันมากเกินไปคนเราเนี่ยพอเวลาเอาถูกเอาผิดหือว่าเอาจริงเอาจังกับความถูกผิดมันทำไม่ลืมนะลืมสิ่งอื่นที่สําคัญกว่านั่นได้แก่นะความสัมพันธ์หรือความรักและพอเอาถูกเอาผิด การจริงจังแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมายิ่งยึดมาในความถูกต้องมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็สามารถที่จะเผลอหรือถาลายไปสู่ความไม่ถูกต้องได้ยึดมั่นถือมากความถูกต้องของกระเบื้องพอเห็นกระเบื้องมันวางผิดนี่อเอาจริงเอาจังเป็นบ้าเป็นหลังกับมันมันก็สามารถทำให้ สามีภรรยาเนี่ยไม่ใช่แค่แตกร้าแตกแยกหรือบานบางกันอย่างเดียวบางทีถึงกับลงไม้ลงมืออะไรก็มีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเอาเหตุผลมาทิมแทงกันเรื่องนี้ทีแรกก็เริ่มต้นเพียงแค่ว่ามีน้ำเสียงตำหนินะภรรยาก็ตาหนิมีน้ำเสียงตำหนิสามีคุณคุยกับผู้รับเหมายังไงทำไมจะออกมาเป็นแบบนี้ อธิบายเขาฟังดีแล้วหรือทำไมมันจึงผิดพลาดอย่างนี้ทีแ้กก็น้ำเสียงตํำหนิดส่วนสามีก็แก้ตัวปกป้องตัวเองคุยกันแล้วพูดกันรู้เรื่องแล้วพอสามีทำทีถ้าจะไม่ยอมรับผิดภรรยาคนนี้ก็เริ่มไล่บีเลยนะ แล้วคนนี้ก็มีการต่อว่าแล้วจากน้เนำเสียงตําหนี้ก็กลายเป็นต่อว่าฉันไม่น่าไว้ใจคุณเลยหลามีทํางานประสบต่อว่าก็ตอบโต้ตเนี่ยก็ทําไมคุณไม่ดูเองล่ะอยู่บ้านทั้งวันจะมาโทษผมได้ยังไงคราวนี้ภรรยาก็บอกเล ย, ยก็กยฉันมีงานต้องเยอะแยะจะมาดูมันได้ยังไงทําไมเธอ ไม่เคยคิดจะช่วยฉันบ้างเลยนี่ว่าเลยนะขุดคุยจากเรื่องอื่นมามันธรรมดานะเวลาคนเราเอาถูกเอาผิดกันเนี่ยหรือว่ายึดมั่นในความถูกต้องมากเนี่ยมันก็มักจะลงเอยว่าปกป้องตัวเองว่าฉันถูกแล้วก็กล่าวหา ห, าหรือโทษอีกฝ่ายว่าผิดขุดคุยเหตุผลมาเพื่อยืนยันว่าฉันถูกและใช่เหตุผลนั้นเพื่อที่มาตําหนิหรือกล่าวโทษอีกคนว่าเธอผิด อันนี้ไม่ใช่แค่กาหายเฉยบางทีก็โจมตีแล้วพอโจมตีฝ่ายนึงโกรธโกรธก็โมโหก็ขุดคุ้ยเอาความผิดพลายของอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาบางทีก็ไม่เกี่ยวกันเลยนะเช่นไม่ช่วยงานบ้านฉันเลยนะนชนักดท่าทำต้องยอะแยะไม่มาช่วยฉันเลยเนะเอาแต่นั่งสบายๆายนั่งเล่นนอนเล่นดูโทรทัศน์สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความบาดหมาง นี่คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นนะเวลาคนเราเนี่ยเอาถูกเอาผิดกันแนะถึงแม้ว่าจะใช้เหตุผลแต่ว่าเหตุผลนั่นก็มันเป็นไปเพื่อการปกป้องตัวเองแล้วก็ทิมแทงหรือโจมตีผู้อื่นซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ยอมนะยิ่งฉันเจ็บปวดมาทลายฉันก็ยิ่งตอบโต้เพื่อให้เธอเจ็บปวดมากขึ้นลืมไปเลยนะว่า เป็นอะไรกันเป็นสามีภรรยากันหรือว่าบางทีเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายมันก็ลืมหมดคนเราพยุดมาในความถูกต้องแล้วเนี่ยพอเจอความไม่ถูกต้องมันลืมตัวเนี่ยแล้วก็เผลอทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็ทําในานามความถูกต้องโดยใช้เหตุใช้ผลหลวงพ่อหลวงเดี๋ยวนั่นงจะบอกนะ ว, ว่าอ ย, อย่าไปเอาถูกเอาผิด ถูกผิดเนี่ยมันของดีแต่ว่าอย่าเอาจริงเอาจังกับความถูกผิดมากเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ลืมสิ่งอื่นที่สําคัญกว่าหรือว่าทำให้เกิดความไม่ถูกต้องขึ้นมาเพราะว่าพอเอาถูกอาผิดมากเกินไปมันลืมตัวพอไม่ลืมตัวแล้วการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องการด่าว่าการทิ้นแทงกันหรือการทำร้ายกันก็ยิ่งหนักขึ้น คุณหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ท่านเพื่อไว้ดีนะบอกว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยอย่าใช้เหตุใช้ผลเด็ดขาดเลยนะอย่าใช้เหตุผลเด็ดขาดให้ใช้อารมณ์นะเขาบอกว่าเนี่ยให้วางเหตุผลลงแล้วให้อารมณ์มันรอยขึ้นมาอารมณ์ที่ว่ามีความรักอันนี้มันจริงเลยนะเพราะว่าพอใช้เหตุผลแล้วดูมันดีนะแ ต, ต่ผลเนี่ยมันเป็นไปเพื่อ ปกป้องตัวเองว่าฉันถูกแล้วก็ต่อว่าทิมแทงอีกฝ่ายว่าผิดอีกฝ่ายนี่ก็ย่อมไม่พอใจก็ต้องเอาเหตุผลมาหรือสร้างทําเป็นก็มีเหตุผลเอาเหตุผลมาใช้ในการทิมแทงกันเสร็จแล้วก็เลยผิดใจกันแล้วคนเราเนี่ยเวลาเวลาไปยึดมั่นในความถูกต้องเนี่ย ถ้ายึดมามากเกินไปเนี่ยมันจะเปิดช่องให้ตัวกูนิ่แทรกเข้ามาได้นะก็คือกูถูกนะแกผิดพอมันมีความสัมพัญมากแล้วกูถูกแกผิดแล้วเนี่ยมันก็นำไปสู่การประทะ ก, กันซึ่งก็มีใจทําให้เกิดความเล้าฉาน วันก่อนก็ได้พูดถึงคุณคุณปู่คนหนึ่งนะแกเป็นหมออายุร0ออปีนะทุวันนี้ก็เป็นหมออยู่เลยความจาก็ยังดีสุขภาพก็ยังแข็งแรงแกก็มีเคล็ดลับหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นการกินอาหารการออกกาลังกายการดูแลอารมณ์เช่นไม่ให้โกรธไม่ ม่เก็บความโกรธเอาไว้และส่วนหนึ่งแกก็เป็นพ่อมีเพื่อนคู่ใจขึ้นพึ่ง เ, เ, เพื่อนคู่ชีวิตคือภรรยาซึ่งอยู่กันมา7จ็ิบกว่าปีหรือเกือบ70ปีและเพื่อก็สงสยนะัยในแกมีเคล็ดลับอย่างไงนะในการที่จะอยู่กับภรรยาได้ยืนยาวแล้วก็เกื้อกูลกันขนาดนั้น แกกบอกว่าแกก็มีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะเวลาผิดเวลาเป็นฝ่ายผิดก็ให้ยอมรับแต่เวลาเป็นฝ่ายถูกก็ให้นิ่งเงียบเนือมันเป็นเคับที่น่าสนใจนะเพราะคนเราเนี่ยมันทำตรงข้ามนะเวลาเป็นฝ่ายผิดเนี่ยแทนที่จะยอมรับก็จะบ่ายเบียงแก้ตัวหรือไม่ก็โทษคนนั้นคนนี้ แต่เวลาเป็นฝ่ายถูกก็จะไล่บี้คนอื่นไล่บี้คนที่คิดว่าตัวเองคิดว่าเป็นฝ่ายที่ผิดนะใช่เหตุผลในการเล่นงานคนอื่นที่ตัวเองเห็นว่าเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าว่าทำแบบที่คุณปู่แกว่ากนะ็คือว่าเวลาถูกก็เงียบซะไม่ต้องไป ไล่บี้ใครแต่ถ้าเป็นฝ่ายผิดเมื่อไหร่ก็ยอมรับให้ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะซึ่งการที่จะทำนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องอมีข้อคิดอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราเป็นฝ่ายถูกนะอีกคนจะเป็นฝ่ายผิดก็ไม่ต้องไปไล่บี้เขา ให้เขาได้เรียนรู้เองในการไปไล่บี้เขาเนี่ยเพื่อให้เขายอมรับว่าฉันผิดเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญาหานี่ทำไมนึกถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งนะก็อยู่กันมานานแล้ตอนหลังก็ย้ายบ้านไปอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะซึ่งมีสระมีบึงใหญ่เลย ทำเลที่ตั้งของบ้านนี้ก็ดีนะอยู่ใกล้บึงสามีเนี่ยเป็นคนชอบตกปลาแต่ภรรยาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าธรรมะธ ร, รมโมสามีเนี่ยไปตกปลาอยู่เป็นประจำในบึงใกล้บ้านต่อหลังภรรยาก็ขอร้องสามีว่าเนี่ยอย่าตกปลาเลยมันไม่ดีมันเป็นบาป แล้วเราตกปลาก็ไม่เอามากินก็ขอร้องสามีอยู่นานสุดท้ายสามีก็ยอมยอมเลิกตกปลาแล้ววันหนึ่งภรรยาก็บอกสามีว่าเนี่ยจะไปสัมมนาต่างจังหวัดสุกสาวาชิตช่วงที่ภรรยาไม่อยู่สามีก็อยู่บ้าน วันแรกก็ไม่ท่าไหลนะแต่วันที่สองเนี่ยเป็นเสาเล่นเสียงปลาเนี่ยมันทุบเหยื่อก็อดรนทนไม่ได้เนะห ย, ยิบเบ็ดเนี่ยที่เก็บไว้มานานเนี่ยเอาไปตกปลาพร้อมกับเหยื่อ ก็เพลินนการตกปลาเนี่ยจนเย็นเลยนะกกล่าว่าจู่ๆภรรยากลับมาสามีตกใจเพราะว่าภรรยากลับมาเร็วก่อนกาหนดภรรยาเห็นสามีตกปลาคาหนังคาเขาเลยแต่ภรรยาแทนที่จะโกรธสามีนะหรือต่อว่าสามีว่า ไหนสัญญาว่าจะไม่ตกปลาทำไมมาตกปลาคานางคาเขาแบบนี้พญายาไม่พูดแนละ้วพยากับพูว่านี่พ่อพ่อทำอะไรอยู่อ้สามีเนี่ยนะแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองตกปลานะกับพูว่านี้พ่อกำลังสอนไส้เดือนให้ว่ายน้ำใภรรยานี่แทนที่จะ บอกว่าสามีว่าเนี่ยเถียงข้างๆครูๆตกปลาแล้วยังมาเถียงแบบนี้นะแล้วก็ไม่นะกับพูดกับสามีว่าพ่อไสเดือนมันว่ายน้ํามันอยู่ในน้ํำนานแล้วนะเอามันขึ้นน้ําได้ละนะแล้วกลับบ้านกันนะเรื่องนี้ก็เลยจบได้ดีนะคือไม่มีการทะเลาะกันนะแล้วนับแต่นั้นมาสามีก็ เลือกตกปลายเลยภรรยาเนี่ยเห็นความไม่ถูกต้องของสา ม, มีนะแต่ที่แต่แทนที่จะไล่บี้นะหรือว่ า, าไล่ให้จนตรอกนะนะกลับเปิดช่องให้สา ม, มีเนี่ยเอาสีข้างเข้าถูออกไปได้แต่ว่ามันก็ทำให้สา ม, มีเขาเกิดความอับอายขึ้นมา และสามีจะไม่ยอมรับแล้วว่าทำผิดสัญญาแต่ว่าก็เกิดความเข็ดลาบขึ้นมารู้สึกอับอายในการกระทำของตัวเองโดยที่ภรรยาไม่ต้องไปต่อว่าสามีเลยไม่ลองนึกนะถ้าถ้าภรรยาเนี่ยไปต่อว่าสามีว่าเนี่ยรับปากแล้วไม่ทำแถมยังโกหกข้า ง, างคๆครู มันจะเกิดอะไรขึ้นนะสามีคงจะไม่ยอมถูกต่อว่าง่ายคงต้องเถียงอาจจะเถียงขึ้นถึงขั้นว่าเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันจะตกหรือไม่ตกเป็นเรื่องของกูมึงอย่ามายุ่งอันนี้ก็ไปกันใหญ่ให้ภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้าใจนะว่าคนเราเวลาใครเวลาพบหรือเจอใครทําผิดทําพลาด มันไม่จำเป็นต้องไปไล่บี้หรือไล่ให้จนเพียงแค่ทำให้เขารู้ว่ามีคนรู้มีคนเห็นแค่นี้ก็ทำให้เขาอับอายอันนี้ก็เรียกว่าสามภริยานี้ก็ไม่ได้เอาถูกเอาผิดหรือเอาเหตุเอาผลจนกระทั่งเกิดความขัดแยง้ง แต่ว่าก็ทำให้สามีเนี่ยเลิกนะเลิกพฤติกรรมนั้นได้กพเกิดความละอายแม้จะไม่ได้ยอมรับผิดตรงๆเพราะคนเราเนี่ยมันก็มีอัตตาเนะเวลาทำผิดอะไรเนี่ยจะให้ยอมรับผิดนี่มันยากถ้าเขามีทางเลี่ยงทางนีเขาก็ ก, ก็ทำแต่ก็รู้ดีนะว่า มันไม่ถูกทุกคนมันก็มีมโนธรรมซ้ำหนึ่งที่ทําให้ไม่กล้าที่จะทําความผิดอีกเพราะนั้นที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดอยู่เสมอนะว่าอย่าไปเอาถูกเอาผิดนะมันมีเหตุมีผลนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ชื่อเราควรคำหนึง่งไม่เอาถูกเอาผิดเนี่ยหมายความแม่อย่าไปเอาจริงเอาจังกับความถูกผิดมากเกินไป เพราะว่าขึ้นเชื่อวความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นเรื่องอะไรมันก็สามารถทําให้เกิดผลเสียได้อย่างที่หลวงพ่อเฟื่องนะโชติโกเนี่ยเพิ่งเคยพูว่าเนี่ยความมีของเราแม้จะถูกแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิดขึ้นเชื่อความถูกเนี่ยแมมันจะดีแต่ถ้ายึดเข้าไว้มันก็ผิด เพราะว่ามันเปิดช่องให้เกิดความยึดมันสำคัญหมายในตัวกูกของกูกขึ้นมาพอยึดมาในความถูกต้องใครที่ไม่ถูกก็กลายเป็นคนละฝ่ายคนละพวกกับตัวเกิดความโกรธเกิดความเกลียดชังกันบางทีแม้กระทั่งเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นเพื่อนก็สามารถจะเกลียดชังกันได้ เพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องจงกระทั่งเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็น<ม>เป็นศัตรูไปนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เ, ร า, าเพราะว่าเวลามีการต่อว่ากันเวลามีการโจมตีกันอีกฝ่ายหนึ่งก็จ่มรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ต้องตอบโต้ ฉันปวดมากเท่าไหร่เธอก็ต้องฉันต้องทาให้เธอปวดมากมากกว่านั้นอันนี้เป็นเพราะเกิดความลืมตัวพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ลืมหมดหน้าลืมว่าคนนี้เป็นเพื่อนคนนี้เป็นสามีคนค น, นี้เป็นภรรยาคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นลูกมันลืมหมดและที่ลืมตัวก็เพราะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สิ่งที่ ส่วยึดมั่นเอาไว้เนี่ยมันไปยึดมาเป็นตัวกูของกูมันถูกกระทบพอตัวกูถูกกระทบเข้ามันก็อัตตาก็เข้ามาคลองใจแล้วเมื่ออัตตาเข้ามาคลองใจมันก็ลืมหมดว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรก็กลายไปว่าแทนที่จะพอยึดมาในความถูกต้องแทนที่จะเกิดความถูกต้องขึ้นมามันก็เกิดความไม่ถูกต้อง ในที่สุดเพราะนั้นก็ต้องต้องตระหนักนะว่าเนี่ยการที่คนเราเนี่ย mm hmm. เดินเลินชื่นบันความถูกต้องนี้ดีนะแต่ว่าต้องระมัดระวังในการคาดหวังหรือเรียกร้องความถูกต้องจากคนอื่นหรือจากสิ่งอื่นเพราะว่ามันสามารถจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้